บุญน้อยน้อยไม่ได้จางลางไกลเหมือนคนใจดำโอ้ดวงใจกรางายทายเทพเพราะเสแล้วเจ้าก็ซ้ำสุดเจ็บจำ อยากจนเปลี่ยนคนจูบสามรอยจูบเขาหานถึงตังแกมแม่เดินแรมน้องเอี่ยงแก้มพอลืมแล้วลอยรักแทกแหลกลง น้อควรคาทิ้งจอยิ่งเสียให้สิ้นลมเรือดาบคงเงื้อฝันให้จมยังดีกวอน ไม่อพี่ก็ไม่ว่าลืมสัญญาของชายชาวดินพี่จนเงินน้องเมินหลบหนีคนมีเขาก็ไปกิน เปลี่ยนคนที่จูบวันนี